แต่พ่อก็ขยันพูดอยู่ถ้าหนังยจะขยันฟังหรือเปล่าไม่ชอบก็ต้องจะเป็นกนนะารนั่งการฟังเนี่ยสุสัสงลปเทปัญจผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง้หรือว่าสุดตะม่ไปัญญา ปัญญาเกิดจากแกเนียแกแยะให้เห็นรูเหตุรูผลเพาะนั่นเลยว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากภาวนาที่เราทำอยู่นี้เรียกภาวนา ม, มยปัญญาอันนี้เป็นจุดยอดสูงสุดเราก็ศึกษาทั้งสองสามอย่างทั้งฟังทั้งตานทั้งถาม แล้วก็ไปขบไปเคี่ยวแล้วก็เราจินข้าวว่าต้องเคี่ยวเจะก่อนทัก้กรืนลงไปที่ไนก็ตามในโลกนี้อย่ารับวอทั้งหมดอ่าอันไหนที่รับไม่ได้ก็ไม่เอาละ่ะเพราอฉนเราขินผลไม้ทั้งเปลือกวางไม้วางผลข้อหินได้เฉพาะเปลือกวางอันก็จินได้ขา้างในนัน จนโดยคดีการศึกษาที่มีข้อมูลข่าวสารคนพูด ค, ค, ควฟังก็เหมือนกันนอจักก็รเขี่ยวกบเขี่ยวจะว่าทําห้พิจารณสอดส่องดูจชก่อนจึงค่อยคืนลงไปจึงค่รับอออะายก็ตามอารมก็ตาม อาการก็าตามที่มันเกิดขึ้นกับกายกัใจต้องดูหน้าดูหลังก่อนนี่แล้วกว่าจินตะมะยะปัญญาส่วนภานามมตปัญญานี่เราทำอยู่นี่แหละมีสติมีสติเข้าไปัค่เห็นของเท็จของจริงในกายในใจเรานี่นีของเทศมีของจริงเยอะแยะมากมาย จริงแบบเปจริงจริงแบบไม่จริงก็มีเช่นความไม่เที่ยงมันจริงแบบไม่จริงมันก็จริงแบบกว่ามไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงมันไม่จริงเลยไม่ใครเป็นใหญ่ได้ไม่ใครป้องกันได้หลังที่เราตรวจมุขี้นี่ยมันไหลไปตามธรรมชาติของมันในโลกนี้ ป้องกันไม่ได้เช่นป้องกันความเกิดเจ็เจ็บตายป้องกันไม่ได้ไม่เครเป็นใหญ่ไม่มีผู้ใดมีอำนาจธรรมชาติมกกันมีอาจขู่เราปเกิดปัญตายกันไม่มคเคยป้องกันได้ยกอมว่าทิ้งนสิ่งที่ตวงไปมันจริงแบบไม้จริงถ้าเรวพึ่งอยู่เดี๋ยวเนี้ยมันจะไม่ เป็นจริงที่เราเริ่มมอบชีวิต จ, จิตใจวกับสิ่งไม่เที่ยงหลายคนที่เคยเสียใจเพรความไม่เที่ยงหลายคนที่เคยเป็นความไม่โชคกับความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันจริงแต่มันไม่จริงเราไมา่โชคกับมันกันไม่รู้อยากเห็นไม่รู้อยากพอโลกนี้โลกของโลกนี้ ไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จกพอเป็นท่าของความอยากเจ้าความอยากเป็นการตัดสินไม่อิ่มจริงๆท่าความอิ่มนีม่เป็นการตัดสินก็อิ่มได้อันอยากหมายถึงอารมณ์การอิ่มหมายถึงท้องเรางเราจึงมาพบมาเชี่ยวมาดูซิว่ามันคืออะไร ประเทศจนหรือมันจิงอย่างไรกลัวมันทุกข์กลัวมันการกลัวมันทุกข์มันก็จริงแต่กลัวมันทุกข์ทุกจร่งๆหาชีวิตที่ปวดนื้อดตัวไปกับความคิดที่มันปรงปร่งแต่ๆเจ้าสังขารเจ้สังขารเนี่ยทีมันคิดขยันคิดเนี่ยท่านเรียบันนายช่างปั้นหม้อ นายช่างที่ปั้นหมอเป็นนายชีพหม้ที่นายช่างปั้นขึ้นมาแหน่ลูปเล็กลูกใหญ่ลูกสวยลูกไม่สวยก็แตกตั้งนั้นแต่หม้อไหไม่แตกก็มาหม้อเนะ่ยปันชังขานที่ปันปรุงปุงต่างแต่งก็หวนกันแล้วเสียเวลากับสังขานนี่มากดีใจเสียใจ ไปกับเจ้าสังขารยาสังขารที่มันปรุงแต่งเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนได้เกิดไม่ได้สังขารได้หยุดก็ได้แต่แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนเราจึงมาดูโลกอันที่เขาตกแต่งบุตรราชรด คนนอกคนหลงก็ติดอยู่ข้องอยู่คนมีปัญญาหาข้องอยู่ไหมในจะเย็นว น, นจะพอย่อมไร้ท่้งในสิ่งทั้งปวงทุกิวิตเป็นอย่างนี้สภววามหากษาศเษตีค่ะ บ, บด่ดีคนยากคนจนเดินเข้าไปสู่กองเืนกองพลหลุมฟังจบเหมือนกัน จะใส่เครื่องประดับประดาตกแต่งก็ถวดวางไว้ให้ลูกให้หลานเมืในท้องก็วางไว้ไปตัวเปล่าเราเกิดมาก็มาตัวเปล่าแล้วไปก็ไปตัวเปล่าไม่มีใครได้ไปต้องรัดทิ้งในสิ่งทพวงเป็นเมื่อไรนี่เกิดมาเอาอันนั่นเอาวันนี้ พอไปยิ่งก็ไม่เอาเอาเศษเก็ไม่เอาถ้าฉันเอาอะไรดอบางทีเขาใส่ปากให้เป็นเหรียญบาทเหรียญจีบเหรียญหน้าไปขอไปแล้วกองเขียวขึ้นมาให้หมดเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปย่อมแล้วทิ้งเศษแม่พวงเราจึงต้องไม่ประมาทให้ความแก่ความเก็บความตาย เป็นใหญ่ในชีวิตเราไม่ได้สองพ่อก็เคยตายมาแล้วรู้สึกกระตือร้นและนี่มากมันวก็ได้ประโยชน์จากการเก็บการแจ่การตายนี่พอทุกคนพอมาเชื่อว่าเออถ้าคนไม่มีอารมณ์กรรมฐานเขาจะอยู่ไงกัน ถ้าเขาเจ็บเขาก็เจ็บถ้าเขาตายเขาก็ตายความตายผ้าเขาตายความเจ็บผ้าเขาเจ็บถ้าเราม่ลงวานฐานเราจะรู้จักคนละอานกันความแก่เป็นอันหนึ่งความเจ็บเป็นอันหนึ่งความตายเป็นหนึ่งเราอยู่กับตรงที่ไม่เป็นอะไรเพะั้นเราศึกษาอยู่ขณะ น, น, นี้เรากำลังดูกายของเราจนเห็นว่ากายจากว่ากายไม่ใช่สัตว์ุลตัวตนเราเขา ตัวนี้เราจะปุยทางให้เราไปมันจะตามเราไปเมื่อเห็นปัญญาเห็นแจ้งอนเรื่องกายเข้าจริงๆไม่ตามเราไปตัวกายนี่แหละจะทําให้เราไม่ตายตัวเก็บนี่แหละจะทำให้เราไม่เก็บที่เราเห็นของเท็จของจริงของเขาโอ้เจ้าคนไม่รู้ทำเขาอยู่ยังไงทองไม่รู้จ่ายอะไรคองไม่แปรได้านไม่รู้จัก โทษมารู้จักประโยชน์อ ะ, อ ะ, ะ, ะถ้าไม่ละคนพวกนี้แาก็ไม่รู้นะเราลงไปเราต้องไปสอนเขาเราจะสอนเขายัางไงเราจะตายอยูอ่เราต้องไม่ตายสิต้องไม่ตายไปสอนคนจะกวให้คนมารู้จักเรื่องนี้เขา้าเอาเราก็สอนอยู่แล้วจ ก, ก็ขโตกขสซ้กันยูแล้ว ต่้งวัดมานี่ก็สามสิบกว่าปีแล้วก็วสอนกันอยู่พรานั่นยังไง่พอต้องนต้องสอนกันอีกนะมากกว่านี้อ่าแล้วก็โอ้ถ้ามีชีวิตอยู่ก็ดีจะได้บอกนั่งนี้แจะผู้แจกคนที่มีจิตวิญญาณมีกายกล้องสองยาวานาเคืบมีฉัน ญ, ญามีจิตใจต้องรู้ได้ทุกคนนะเนี่ย ว่ามันจำเป็นชีวิตของเรานะถ้าเราศึกษารือนี้จบแล้วอารป่านใพอตัวแล้วป่านใดจะรูกสบายเราก็มีวิธีใที่ทำให้เรามาศึกษาเรื่องนีกันได้นอกจากภาวนาหรือกรรมฐาน ที่มันเอาหลักสูตรของเก่งมาท่องมาเห็นมาพบเข้าเห็นจริงเก่งเห็นกายยิงเก่งมันเคลื่อนไหวอยู่นี้มันเคลื่อนไห ว, วอยู่นี่กายเห็นต่อหน้าต่อตาเราเห <c oughs> ็นหลอกไม่ได้เนอเราเคลื่อนมันก็เห็นว่าเมื่อเราเคลื่อนกายเราเดินก็เห็นว่ากายเราเดิ น, ดน <c oughs> ใครที่มันคิดไปเราก็เห็น ไม่หลบไปลี้ไม่ปิดปังอัมพางหลบเกิดมาแบบโง่ๆกายก็ดีวินาก็ดีจิตก็ดีทั้งทำเป็นความดีความไม่ดีทำที่เป็นกุศลมีความสงบมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำที่เป็นอกุศลคงมั่งเหงานอนคงไปบาดชิดพ้องชา้านละเลยสงสัย มันย่อมมีเกิดขึ้นมาเราจะทำนั่นี่มันดันไปเรื่องอื่นไปเรียกว่าทำทัางดีทั้งไม่ดีสิ่งที่ดีก็ทำให้เราติดใจดีใจเข่นความสงบอชอบความสงบเวลาใดมันคิดไม่ชอบ ความพอใจความไม่พอใจไม่ใช่เป็นทางที่เราจะต้องอยู่เหนือโลกความพอใจความไม่พอใจเป็นรสชาติของโลกเราต้องรูมันเห็นมันเนี๋ยวกำลังจะเลื่อนฐานะของเราเป็นผู้ดูผู้เห็นกายเห็นใจของเราคนเราเห็นเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมาแต่การั้วเรเรียกว่ากายล้วเรียกว่าใจ กายก็คือรูปเป็นเลยใจก็คือนามเท่านั้นมันตอบแบบป้องบั้นทุกดินงานใหญ่กว่านั้นแต่ฉันมากกว่านั้นคำว่ารูปเนี่ยเสียงก็เป็นรูปหูก็เป็นรูปหูเห็นได้ยังเสียงก็เป็นรูปจมูกได้ยินก็เป็นรูปลิ้นได้รสก็เป็นรูปมันสัมผัสมันเจ็บปวดด้วยใจมันชี้ขึ้นมาก็เป็นรูปจังมันเจ็บปวดนั่ เจ็บปบคนแฝงใหม่เจ็บใจพฟว้าพา้าคนเขาพูดกันว่ามันเจ็บเหมือนกันเจ็บปวดเหมือนกันเจ็บใจเจ็บใจปวดใจเล่ร้อนใจเป็นทุกข์มันก็เป็นรูปอี ก, กนหนัง่งที่มันเกิดจากอรยธรรมตาหูจมูดลินกายใจรูบรดจินเสียงรูปที่เราเคลื่อนเรานั่งนี้เป็นมหาภูตารูป เป็นรูปไว้ใจทำความดีและความชั่วรูปเดียวไล่มาอยู่นี่เท่าออ ก, กันเอามาเป็นเครื่องศึกษามาละความชั่วมาทำความดีโดยรูปโดยนามนี้นะถ้าไม่มีรูปไม่นาก็ไม่มีมรรคไม่ผลเราจึงได้บรดกเรียกว่ามนุษย์สมบัติคือกายคือใจของเรามาทำความดี ถ้าไปทำความชั่วเอากายวิจัยไปทำความชั่วก็เป็นโรคสมบัติไปสมบัติเดรัจฉานสมบัติตอริยกายสมบัติไปมาชีวิของเรานะ่ยมืนกับทางอยู่ในทางสีเพ่งทางสีเพ่งคืออะไรเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่บนทางสีเพ่งเราไมีสิทธิ์ที่ไปทางสีเพ่งคือบลายภูมิทางหนึ่ง สวรรค์ทางหนึ่งนิปานทางหนึ่งมรษทางหนึ่งบายะพมก็คือพวกไม่เจริญอบายแปลว่าไม่เจริญเชื่อมเรียกว่าเปรตสิลกาสัตว์เดรอดฉันสัตว์นรกมัก็ไปถ้าเป็นคนธรรมดาพระรานท่านยังว่าคนเนี่ยไปนรกเท่ากับขนของโคไปสวนี่ผ่านเท่ากับเขาของโค ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะถ้าเป็นคนนะคนคืออะไรไม่ใช่รูกทำนามทำที่นั่งอยู่นี้เป็นคนคนคือมันหลายจริงหลายอย่างคุ้มร้ายคุมดีฟูฟูแพรบแพรบพีใจเสียใจรักรักชังชางโกรธโกรธถูกถูกทุกข์เรียกว่าคนมันปูนเปนกันมากเกินไปเพรนั้นเรียกว่าคนถ้าใครตกเย้ช้าแบบนี้เรียกว่าคนเอามาปูนกัน ของอย่างเดียวชอบของอย่างเดียวไม่ชอบก็มีเหมือนกันเรียกว่าคนพกนถ้าอยู่ในจภูมินี้อยู่ในภูมินี้ก็ก็ไปได้ทุกทุกทุกชาติแต่ถ้าเป็นมนุษย์ขึ้นมาจาักหน่อยใจมันสูงขึ้นมา เห็นตัวเองลายตบบาบเป็นควตวบาบไม่ก้าชิดชั่วไม่าก้าพูดชั่วไม่ากล้าทำชั่วคนอื่นไม่เห็นก็พ่อตัวเองก็เห็นคนนี้พวกไปเทวดาพวกนี้พวกไปเทวดาไปสู่ภูมิเทวดาแต่ก่อนเราไม่รู้นะไอคิดอะไรก็ได้ บางทีเรนอนอยู่เป็นโจรเป็นผู้ร้ายผู้ข่าคนตายไปลักไปขโมยปล้นไปขี้ไปขุมขืนไปชอบไปเกลียดใครปล่อยให้ตัวเองหมกมุ่นไปพอมาลู่อะโออายอายความคิดไม่ใช่อายคนอื่นอายตัวเองแล้วก็ผู้ชั่วทองชั่วชิดชั่วพวกนี้เป็นภูมิเทวธรรม ถ้าเราเนี่ยอยู่ในภูมินิจิตไปได้จะไปนิพพานก็ไปได้เพราะภูมิันนี้เราปล่อยระวางเราจุดเราเจนได้มันสุกเปลี่ยนไม่สุกเปลี่ยนเป็นตัวลูกมันทุกเปลี่ยนไม่ทุกข์เป็นเป็นตัวลูกมันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกเปลี่ยนเป็นตัวลูกเพื่อไปสู่นิพพานได้ถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้เวลานี้เราจึงหัดเปลี่ยนกันมันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลูกเ at si ข้าไป มันทุกเปลี่ยนเป็นตัวลูกเข้าไปมันจะคิดโผกุ้นไหลเปลี่ยนมาเป็นตัวลู่เข้าไปมันทวนชั้หน่อยมันทวนกระแสชักหน่อยไม่ง่ายเหมือนกับการปล่อยตามกระแสเหมือนกับของที่ลอยอยู่ในน้ําไหลถ้าปล่อยมันไหลไปทางต่ำมันง่ายกว่าจิตใจของเราก็เหมือนกันมันไหลไปทางต่ำง่ายง่าย ไปไหลไปทางดีเนี่ยยากสักหน่อยเจงถอจเิงพายตัวเองโบราณท่านยังว่าพายเสร็จพ่อจะลั่งรอพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบวัวจะเน่าใช่ไหมได้ย <c oughs> ินไหมย อ, องตาได้ยินมานานแล้วพายเสร็จพ่อจะลั่งรอพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบวัวจะเน่า คนแจกเท่าชะามามันท hmm. ําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้มันเปิดเพื่อนมันหลงพลวงพ่อเคยไปสอนคนแจกคนเท่าไม่ได้เลยฮะตอบไม่ได้เลยพต่จะตื่นแต่ดึกตึกแหนุ่มแต่วันตัดสายถาสายมคืออะไรวันเท่าวันแจกถ้าอัดวายคืออะไรปัญญาใช่ไม่ได้เลยห้าบวนเน่าคืออะไรกายเอามาเคลื่อนไหนก็ไม่ได้มันนั่งอยู่ก็ต้อง ไม่ได้ก็ต้องนองให้ลูกให้หลานเช็ดที่เช็ดเยี่ยวให้สายบัวงเน่าแล้วใช่ไม่ได้ไม่มีค่ามีราคาเราจะรอให้เป็นหางไม่ได้เราต้องมาตื่นแต่ดึกถึงนแต่หน่อมจ้ามาสวนกระเสอมาผ้ามาช่อมาพายตัวเองถ้าวันหลงไปกับลูกทวนก็เสือแล้วขึ้นถุงแล้ว ถ้ามันโกรธก็ลูกขึ้นมาสูงแล้วถ้ามันทุกก็ลูกขึ้นมาสูงแล้วนี่ว่าชวนกระเสรยากซะหน่อยถ้าไม่ที่เรามาฝึกใหม่ๆง่ายจี้หลงอันนั้นหลงทีเดียเอามาลูกผมก็ชวนขึ้นมามันชวนขึ้นมาชวนขึ้นมาเอาต่อไปต่อไปมันให้างง่ายจี้ลุกเ่ยมันหดได้นะ แต่ก่อนง่ายที่หลงเพราะผูคัดไปง่ายที่จะรู้เนี่ยมันเปนไม่ได้มันทวนขึ้นมาแล้วเหวนือน้ําแล้วเหนือขึ้นแล้วพลันกันแล้วไปเนี่ยนี่ว่าทวนไวเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าไปเสี่ยงถาดพระราชาตา <c oughs> เราก็ามาทุปญาติไปถวายขณะที่พระองค์บำเพ็ญตนเป็นพระโพธิจักรเจ้งหาโมกชธรรมยอยู่ใต้ต้นนิโคทตะวันออกของพุทธกยาข้างแม่น้ำยันชลาปั่งทิศตะวันออกพุทธกยาอยู่ฝั่งทิศตะวันตกไปไปดูมาแล้ว ต้นในโคดเนี่ยก็มาปลูกไว้หน้าลงอาหารหน้าลงทานนะ่ะต้นใหญ่ๆนะในโคดแล้วเนี่ยในโคดเป็นที่รับเข้าวมัตุปยาตพอรับเข้าวมัตุปยาตจากนางสุจดาก็ถามว่าเธอจะถวายจะเพาะข้าวหรือจะถวายทั้งถาดเพราะพระองม่มีอะไรนางสุจดาก็บอกว่าถวายทั้งถาดเลย ไปร่างเก่าพระฉันแล้วถาเป็นเสียงน้ําถ้าจะได้ตัดจะโลกเป็นพระอนุตระจำมาจำปุถียานขอให้ถาไหลขึ้นไปทางเหนือน้ําถ้าไม่ได้เป็นโุถียานขอให้ถาที่ไหลไปตามน้ําอูยมันเป็นไปได้ไงที่จะให้ถาไหลขึ้นเหนือน้ําถ้าพูดถึงปกติฐานก็หมายถึงงัน ถ้ามายถึงนำมาที่ฐานมาถึงกิจที่มั น, นทวนกระแสคิดถึงเวีนบาก็กลับขึ้นมายิถึงลาหุนก็กลับขึ้นมาคิดถึงประชากรารุโรก็กลับขึ้นมาไม่ใช่ไหลไปตามน้าไปคิดถึงเทวดามานคิดเห็นความสะดวกสบายสาวน้มกันนานในไม่มีผู้บุรุษี่เจียบโลเลยพวกก็ทวนขึ้นมา ราองก็ทวนกันมาไม่ติดรสชาติของโลกที่เคยผ่านมานะแล้วว่าทวนไว้าทวนว้ายมาอยู่กับตัวมาอยู่กับตั ว, ตวเหมือนกับเราทำํำนี้นี่แหละมันชิดไปก็กลับขึ้นมามันชิดไปก็กลับกันมาเน่ยทวนก็นเสดเมื่อทวนก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะมันปฏิบัติได้อยู่ชีวิตของเรานอะง ใครยังมาทวนจะหน่อยอย่าไปตามอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้ามาเห็นรูปเห็นนามแล้วมันจะแตกฉานบอกเราได้หลักสูตรมันบอกเราแต่ก่อนเราเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นกายเป็นกายเห็นจิตเป็นจิตเห็นความคิดเป็นอารมณ์เป็นเราไปหมดเลยพอมาเห็นรูปเห็นนามเราเห็นเวทนาเป็นอาการของกายของใจ มันตัวน้อยอาการมันไม่ใหญ่กันกับเวทนาถ้าเวทนามันสุขมันทุกข์ถ้าเห็นเป็นอาการแล้วมันก็เห็นเป็นของคลิปช่วยไปเลยโอ้ยมันเป็นอาการของกายเฉลา่เป็นอาการของใจก็อฉลาดของโลภของมโกรธความความรักความชังเป็นอาการของใจไม่ใช่ใจก่อนร่อนกันมันร้อนมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยไม่ใช่กายเป็นอาการของกายที่เป็นธรรมชาติของเขา เพราะก็มีอยู่นั้นแล้วก็มาฉลาดเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราเรียกว่าอาการฉลาดแล้วบ่นแตกฉานอะไรก็าตามสรุปลงเป็นอาการเท่านั้นเล็กน้อยไม่มากความจุกความทุกความรักความจังความไม่ตกควงมวลนจ้าหมอความร้อนความหาวความหิวความเจ็บพาะปวดเป็นอาการของกายของใจของรูปของนาม มันก็ง่ายมากแรือเปล่าเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงมหาภูติรูปนั่งอยู่นี่เป็นมหาภูติรูปเป็นรูปวาสัยต่อไปก็ไปดับไม่ใช่มาดับตัวนี้ไปดับตัวรูปตัวนามที่เป็นเกิดจากขันธ์ท่าที่ว่านามมารูปโน้นไปดับตัวโ น, น้นเรียกว่าอาการเกิดดับอาการกระ ด, ดับมันไปพบไปชาติแล้ก็ดับทุกพบทุกชาติไปดับไปดับไป ไม่คิดเรื่องเก่าไม่ยอมคิดเรื่องเก่าถ้าคิดก็คิดครั้งเดียวไม่ไปอีกพว่าผู้มีพพอันเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าว่าพระอนาคามีบุคคลหนึ่งมีพบอันเดีย ว, ว, าาคคลยวแล้วก็ไปได้เลยส่วนพระโสดาบานันยังมีตั้งเกิดพบเกิดชาติเช่นเราโกรธคนนี้คิดมาเราโกรธหนึ่งครั้ง ออีกที่นึ่งคิดขึ้นมาทั้งคนนี้โกรธขั้งที่สองแล้วเป็นพบแล้วคิดเจ็ดขั้งเจ็ดถลเรื่องเก่าคิดแล้วโกรธคิดแล้วโกรธคิดแล้วสุขคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกข์คิดแล้วทุกข์เกิดภพเกิดชาติพระโสระวันอยู่ในสภาพแบบนี้กันส่วนพระราคานีมีอันเดียวไปได้เลยมีอันเดียวไปได้เลยผ่านได้เลยสบายสบาสบายสย ถ้าไปคิดเถอะ้ยเปลื่อเปล่าโอ้ยเปลื่อนแล้ ว, อ ย, อ, ล อ, ลวอยากเอามาือลูบหัวใจลูบหัใจโอ้ยออายอายาไิดไม่ดีมันจึงอายตัวเองมากันกล้าคิดถ้าคัา่มักล้าทชั่วมกล้าพูดชั่วเริ่มงานตั้งแต่ต้นลมแล้วก็ดับไฟต้นลมรดับ ความชั่วความล่าทั้งหลายต่างๆมักเกิดจากใจของเราแต่ก่อนเราต้องว่าความคิดเป็นของละเอียดไม่มีใครเห็นคิดอะไรก็ได้อ่าไม่ไม่ใช่แล้วต่อไปเมื่อเรามาเห็นมีสติดีขึ้นเห็นความคิดเป็นเรื่องหยาบคลายที่ฉุดเลยไปจำเลยหมายเลขหนึ่งของโทษทั้งหลายอันกายอันกาย อ, อันกายอันคําพูดเนี่ยเป็นจำเลยหมายเลขสองเลขสามไป กายมันสั่งมันก็กายใ จ, จมันจั่งคือความคิดกายมันก็ทําปากก็พูดเป็นจํนเลยที่สองที่สามไปโทษไม่หนักโทษหนักที่สุดคือความคิดเป็นหมายเลขต่างๆถ้าตัดสินผ่านชิตก็ตัดสินผ่านชิตตรงนั้นเหมือนกับ น, นักโทษเหมือนกับภิทษาตุลาการเขาตัดสินโทษต่างๆเขาก็เอาเจตนาของของต้นที่มันเกิดโทษมันเกิดจากอะไร เกสัชตุลาการก็สอบว่านี่เป็นหมายเล็กถึงคดีหมายเล็กถึงคดีดําคดีแดงฐานชี้อย่างเดียวแต่ไปที่สองที 3, ่สามจำคุกตลอดชีวิตบ้างหรือจำคุกสิบปียี่สิบปีบ้างตากายกัะบาจาเนี่ยเป็นโทษไหมเลขสองเลขสามโน่นแต่ใจเป็นโทษหมายเล็กถึงนะเพราะนั้นเราจึงมาเห็นตัวนี้เข้า พอเห็นโทษที่เกิดกับกจิตเกิดกับความคิดเนี่ยแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องไปรู้เรื่องนี้เท่ากับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันรู้ทันจริงๆมันเลยไม่ทำำํากรรมมันเอาตั้งแต่ความคิดแล้วถ้าพูดจัิงเชนะ่ะเินที่เป็นอเรเยกันะนะเนชนแต่เชนจิตขาเขาปรับโทษตั้งแต่ความคิดนูน่นทำไม่ได้ไปปรับ ไปพูดปอดพูดคำหยาบพูดโพชเจอไปลักทรัพย์ไปไประพฤติปนนยกรรมมานั่งเขายังปรับเป็นศินสังคมธรรมดาพวกเราเนะถ้าพระเอียบุคคลเน่ปรับกันแต่ควาคิดแล้วที่สุเมื่อเธอคุณคิดในลมที่คุณคิดเรื่องเดิมเรื่องเก่าเคยมองหน้ามาตุขามเคยนุกเคยเที่ยวเล่นเคย ก็้อหัวเลาะก็หยอกล้อเชี่ๆกันในอดีตที่ผ่านมาเธอไม่สลัดความคิดนั่นออกก็ถือว่าสินต้อ ง, งเธอทะลุแล้วด่างแล้วพ่อยแล้วทำไมก็เชี่บมั น, มนอ่ายายอนความคิดหนาะงการมาปฏิบัติธรรมนามาเจ ร, ริญารรมันละเอียดที่จดเลยมันละชั่วแต่จริงิมันทำดีได้จริงๆริง มีสติเร็วก็่ง่ายของหนาักกายเป็นของเบาของยากกายเป็นของง่ายแต่ถ้าเราไม่มีสติมาเห็นมาเหยี่ยงวายชิดต้องอดต้องกั้นต้องขมขืนต้องอ ะ, อะไรต้องต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้หรอถ้าเรามีสติเพียงเปลี่ยนเด้อปั๊บเท่านั้นเองงานไ้่ออกเหมือนกับเราไล่โยงเราไลโยงเนต้องมือเป็นไล่บัน การเปลี่ยนความว่ายเป็นความดีเนี่ยไมไไ่เลยเคลื่อนไหวเลยเพียงแต่ทําความดีนั่ถูกต้องมันชี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวจ้าเท่านั้นเองสนุกสนุกพอใจพอใจการได้ทําความดีรับความชั่วที่มันเกิดผลขึ้นมาเจอตัวเหล่านี้นะไม่มีอะไปรเสริฐเท่านี้หรือว่ารสชาติของการ พระธรรมของรถพระธรรมเไม่มีรถอะไรเทียบเท่าได้สัพพะละติงธรรมารติสัพพะละสังธรรมาสโสสัพพะละติงธรรมาติเสียงพระธรรมย่อมชนะเสียงนั่งพวงรถพระธรรมย่อมชนะรถทั้งพวงเนี่ยเสียงก็ไม่มีเสียงอะไรที่เท่ากับเสียงสงบพรมเบญปัญญาใจของเรา อาจารย์พุทธาจึงกว่าท่านตะมือสองข้างจึงนันได้มือของฉันตัดขั้งเดียวเสียงดังก้องทั้งโลกาคนหนึ่งตกมือสองข้างดังเป็นจุกเป็นทุกคนหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีจุกไม่มีทุกคนดังไปในหัวใจเราเสียงทุกเสียงย่อมไม่ชนะเท่าเสียงประจําเสียงประจําย่อมชนะเสียงทุกเสียง ตอนสงบร่มเรีย็นในหัวใจของเรามีสติมีสัมผัสญินยนะถ้าเป็นความสุขนัตติสันติปลังสุขขังสุขอืน่นที่กั้วความสงบไม่มีอม่ใช่ ไ, ser, ไปเที่ยวเตะได้รลล่อนร่างแจงเพลงดูหนังโมูดนตรีโดนอะไรต่างๆไม่ใช่นะความสงบนัตติสันติตปลังสุขัขงสุ ข, ขอืข่นที่กั้วความสงบไม่มี พาะจีบทนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าผมเ็นสามารมมีนางตนานางอรอรดีนาคะนางตนานางอรอรดีสามนางสาวหามาพ่านล้ำให้ดู น, น้อยหมน้อยพ้อองก็อยู่ในความสงบจนนางนั่นอายไม่มียเริ่มที่ไปหัวเราะไปยินดีกับเขา เกิความสงบแล้วว่านัตสติปลงังสุของสุขเกินนี้กลัวความสงบไม่มีไม่พุ่งจ้าไม่ยินดีแตกับโรคที่เขาแสดงเสียงที่เขาจะาร้องเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเราจึงมาศึกษาแล้วนี่กันเมวันน่ะหลวพอได้พูดเรื่องความประหยัดได้ด้ตาข้ก็กินอาหารหูขกก้าวินอาหาร แต่โบกก็ยินอาหารเลิ้นก็ยินอาหารกายก็ยินอาหารใจก็ยินอาหารสามปากเราต้องหาอาหารมาป้อนมันทั้งสามปากเช่นเราเินเหล้าทั้งเราสบู่ลีเนี่ยเขาจะไปหางินมาซเชื่อเหล้ากินไปหาเงินมาไปเชื่อบุหรี่สู บุหรี่เราไปกินเท่าไหร่แล้วเล่าไปกินเท่าไหร่แล้วเล่าคนหนึ่งสี่สิบห้าสิบาทแปดสิบาทบุหรี่สองหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบบาทไม่มีประโยนต่อร่างกายเราเลยไม่ถือเป็นโทษหงงาเงินมากลายหงงาเงินมาแต่ว่าบุหรี่เล่าเป็นเจ้าของเงินที่กลายไปหาหมามายืดเอาไปมันกลัวมันกลัย ม, มันทำนา แต่ก่อนเราใช้ควายถายนามันกิเข้าต้านเดียวก็ไม่ได้เจ้าของเตียาเวลาโน่นเข้าข้าวกองอยู่ลานมันไปกินคําเดียวก็ได้เจ้าของเลือกไเตียว ไ, ไม่ใช่เจ้าของท่านท่านที่วัวควายมันทํานาแต่คนเป็นเจ้าของบุรีเป็นเจ้าของของเราเข้าไป็น้าของของเราหลวงพ่อเลยพูดว่าเอาคนชอ บ, บุรีคนยินเน่าเนี่ยเป็นคนล่าสมัยแล้ว เขาไปกันแล้วทุกวันเนี่ยเขาไปกันไกลแล้วไม่มีแล้วแม้แต่คนทุกคนโกรธทีตกควงงามโอจ้มองล่าสมัยแล้วแม้เราจะมีความรู้อะไรถ้ายังหลงอย่อนี้เรล่าสมัยเขาไม่เขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วทุกวันไหนเขาไปแล้วยกทงยกทำแล้วเราจะมาบอกกันมาให้เราเห็นแม้เรายังทําม่ไดาก็เห็นไปก่อนเห็นกระแสไปก่อนเถอะ ว่าคนไม่สุบุรี่ในโลกนี้ก็มีคนไม่จิตเล่าในโลกนี้ก็มีเยอะๆคนไม่โกรธก็มีแล้วคนได้เป็นทุกข์ก็มีแล้วคนไม่มีตกกังวลมีแล้วมันไม่เล่นอะไรกันถ้ามีเป็นผัวเป็นเมียกันก็ช่วยกันได้เนี่ยได้ช่วยกันไม่ทุกข์ช่วยกันไม่โกรธช่วยกันไม่มีตกกังวลดูหน้ากันก็ออกช่วยกันทันทีสามีปัญญาแช่ช่วยกันอย่างนี้แต่ว่า คู่ชีวิตกันเพื่งนปลาใสกันได้แทนที่เป็นสามีเป็นภรรยากันเฉยกลายเป็นกันลียนธรรมกันเอากันไปสู่มรรคผลได้เราจึงมีหน้าที่โดยตรงแทนที่รักแทนที่หวังแหนสามีภรยรยาเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของสามีสามีเป็นเจ้าของภัญญาหรือว่าเรานี่เป็นเจ้าของมีเจ้าของแล้ว ถ้าเรารักพัญญาแล้วก็เป็นคนดีถ้าเรารักสามีเราก็เป็นคนดีถ้าเรารักลูกรักเต้าเราก็เป็นคนดีถ้าเรารักเพือ่อนเราก็เป็นคนดีรักพ่อรักแม่ก็เป็นคนดีอะไรก็จะถ้าเป็นคนดีก็เพ่งพาได้อุ่นใจฉะนั้นพ่อม่เรียงลูกต้องการให้ลูกเป็นคนดีถ้าลูกเป็นคนดีแล้วพ่อแม่ก็สุดหัวใจแล้วลูกเป็นคนดีแล้วพ่มค่าแล้ว เพราะนั่นเราจะมาประกาศตัวนี่แหละไม่มีที่อื่นแม่ท่านจะเรียนมาอะไรก็ตามเป็นความรู้ความรู้ไม่ใช่ของจริงอย่างที่หลวงพ่อถามว่าทุกดีไหมทุกคนก็ตอบได้ว่าทุกมันไม่ดีความโกรธดีไหมความโกรธก็ไม่ดีนั่นเป็นความรู้ตอบได้ถูกต้องแต่ ว, ว่าทาไม่เป็น ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีเรายังทุกอยู่ทั้งทั้งที่ว่าไม่ดีเรายังโกรธอยู่มันใช่ไม่ได้ความรู้กับนั้นนะเราจึงมาเห็นมันจังๆเข้าจริงๆนะมันน้ําที่มันนิ่งเวลาใดอะไรมาตกใจน้ํากับเพื่อโอ้ยเพื่อนกับเพื่อนของน้ำไม่ให้น้ำน้ำมันไม่ให้กับเพื่อนอะไรหรอกาไปาามองเพื่อนกับเพื่อนเป็นคลื่นอะไรเป็นน้าไปมันไม่ใช่ อันนั้มันเป็นอะไรใจของเรากหมืนกันเหมือนกัเพื่อนมันจกวันทุกคนรักมันจังม่เป็นอาการธรรมดาของเขาเขาต้องกับเพื่อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเหมือนน้าำจริงๆเอาไม้ไปฉีดบนน้ําดูน้าก็เป็นบาดแช็ไปเพราอายุไม่ดอกน้ําก็จ่อกันดีไม่ในแผลไม่รอยไม่ลอยเลยจิตใจของคนน่ะ ลอยเฉีดบนน้ําเราฉีดบนดินเอยเฉีดบนหินถอะไรเป็นบาดด้วยกันอะไรมันไม่หายถ้าเอยเฉียดบนหีนเราก็จเจ็บเลยหัวใจดอกหัวใจเจ็บปวดมีแผลในใจที่เห็นดีเราก็เจ็บใจเจ็บใจทุกคนคิดเองอะไรแบบมันทำให้คิดเราอจบความเรื่องนั้นเร่อง น, น, นี้เราก็คิดแ้วนั้นเจ็บใจ ลอยฉีดบนถิน่นมันไม่รอยในใจเราหลายปีหลายเดือนจึงจะจึงจะลบได้รอยแบบนั้นนะรอยลักรอยเช้นรอยอะไรต่างต่างเยะไปเลยฮะลอยฉีดบนดินอาจจะห้าวันเจดวันลบได้ลอยฉีดบนน้นําเนี่ยลบได้ง่ายไหมยิ้น้อยฉีดบนน้ำลบได้ไหมนะอามีสียบนน้ามีรอยไหม ไม่มีาะใจะเราเ น, น, นาะเกียบเท่าบนดูเรเกียบบนน้าดีไหมพูดกันเล่าๆไปดีกันง่ายๆอย่าไปอย่าไปโกดางกันไปโกดานี่ต่อยตยไหมถ้ากลัวกูกลัวตายกูไม่เลือนะไม่ได้มันลอยเกียบบนถึงแล้วเป็นโทษต่อเราต่าคนนึ่นด้วยเนี่ย มีจริงไหมจังนี่มีจริงอยู่ที่ไหนที่เราเราจะทำไม่เราทำสวนที่เราคนหนึ่งช่วยได้ไหมไม่ได้เราต้องเราเราเองเาไปเช่าหวงพ่อก็บหลวงพ่อพูกกับแม่น้อยไปเที่ยวสวนอ่าเศรษฐกิตที่นเมืองเหนือระหว่างไปเชียงใหม่กับจันย์ทงจิตเนี่ยอาจารย์ทงจิตเป็น วิปัชนาแม่ไก่ทรรมฐานแม่ไก่กอกไข่หลวงพ่อไม่เป็นกรรมฐานแม่แ ม, ม่ไกนะ่ไปได้ไปเที่ยวโยมมาไปดูสวยที่จิตเขาเขียนเลยทางทางป่ามันสวยงามป่าดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่เราได้ไหมป่าดีไปอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่คนคน ไนจําลายไม่ตัดต้นไม้ไม่ทํายอะไรป่าดีอยู่ที่คนคนดีที่ใครอยู่ที่เราดีไหมหดีอยู่ที่เรางานที่เี่ยโรงพยาบาลวิลล์ลำลานหินค้งเนี่ยเป็นคนแรกที่มาปลูกปา่าลานหนิงโคงพี่บาลลงพย่บาลวิลล์คนองออ่ามืิคิตคนงออะไรหลายหลายหม อ, อามาปลูกต้อนอยางเนี่ยห้าปี มันอยู่ที่ใครหอนวอนไดนะ้ไมไม่ใช่มือห้านิ้ยสิบนิ้วสร้างโลกด้วยมือเราสร้างคนงามคนดีด้วยมือด้วยใจเราป่าดีที่คนคนดีที่เราอะไรก็ตามเถอะในโลกนี้ทุกคนมารับผิดชอบตรงนี้เข้าหลวงพ่อให้หลวงพ่อได้พูดเอะเรื่องความจรงิงมันประจบมาอย่างนี้จริงๆงนะ ที่ไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ไตายก็อารมณ์มันมนี่แหละนะแต่โธ่ย่องไปสอนคนนะเวลาเราตายเวลาเราเจ็บเนี่ยพ่อเล่าพูอเด็ออ ย, อยากเป็นเพื่อนของคนเจ็บคนป่วยใครว่าคนเจ็บเป็นทุกคนป่วยเป็นทุกใจจะขาดเป็นทุกไม่ทุกเลยเอา้าได้ไหมได้แน่นอนเลยคนทุกข์ไม่ใช่เราเป็นอาการที่มเกิดขึ้น ก็เมื่อจะ บ, บ่อนทอาเนี่ยปวดท้องงอยอนมาถามปวดมากเลหลวงพว่อพ่อปวดมากกเปอร์เซ็นต์ะอะไรไมาเป็นปเปอร์เซ็นตละ้อยั้ยเกินร้อยอ่าเกินร้อยแา่ทำไมทลวงพ่อ น, นอนเฉยเอ้าวมันเกิดก็ไปเสียเปียบมั น, มมนอีกเหรอมันไปรองทาไมนอนหัวโลออยู่เนี่ยยิ้มอยู่เฉยได้เลยไม่ได้ ไปขอหมอช่วยด้วยช่วยด้วยเอายาไม่ย uh ็นหน่อยไม่่เนอนเฉยแล้วหมอม่นอนไหมหลวกพ่อไม่ได้นอนก็อยู่เฉยสนุกอยู่เนี่ยไม่เป็นไรล้วต้องห่องกูเหรอสนุกไม่เป็นไรนะเพียงจะถามว่าการักษาโรคปวดท้องนี่มีไหมโรคได้ถามนี่งหมอตอบมีสิแต่ว่าเออก็รไม่ไรเนาะ แต่เรายิงยาเจ็บปวดทนน้องน้อยเอาไปมาไ อ, อยี่ไม่ต้องเดือดร้อนเลยสติจับฉัญเะเห็นอาการชัดเจนที่มันเกิดขึ้นกับกายกิจเราไม่ใช่เราความปวดไม่ใช่เราเป็นอา ก, การของกายความทุกข์ไม่ใช่เราเป็นการของกายของจิตไปจ้าจิตไม่เป็นไรกายไม่เป็นไรเราไม่เป็นเล ย, ยเราไม่อยู่ที่กายเราไม่ได้อยู่ที่เวทนา แต่ว่าอยู่ที่กิจแล้วอยู่ที่ความไม่เป็นอะไรนะ้นแพงมากการรักษาหลงตาน่ะการป่วยน่ะเป็นล้านล้านนะอ ะ, อะไรคีโมคีโมเจ้าใหม่เท่าไหร่คุณหมอแสนกว่าบาทใช่ไหมคีโแสนกว่าบาทหลอดต่างๆี่ตั้งเก็ดหลอดอัญญาอะไรก็ต้นเม็ดเลือดเอขาอนะ่ะแค่นี้ห้าพันบาท เชี่ยสายทีจีพีเกนขั้นแรกหกพันบาทไม่มนียกแบนใครที่แรกนะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เจ็บกันแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นเราษาแผงมากที่ขอมนชีวิตที่มันคึนมามาสอนมาบอกคนมาสอนคนสองพ่อเลยสอนแล้วขอบคุณขอบกูบกดีใจทั้งหลายมาอยู่ตั้งร้อยห้าสิบคน หือว่าขอใช่นี้สักหน่อยเนาะอย่าให้เป็นหนี้ประเทศชาติเด้อบอกกองเชียงแล้วเอาเรื่องสองขอปลูกป่าใช่นี้ไ ม, ม่เหมือนไปใช่นี้รัฐบาลนะขอปลูกป่าใช่นี้ก็ปลูกหลายแล้วตั้งแต่ปีการนี้มานอนโยงพรบาลทิล่าสั่งมาให้สุกโตมหาวันูอขอทโอปูกป่าใช่นี้ให้ด้วยเย้ะ น, นี้มากทางวัดป่า หมหาวาันก็ปลูกทางวัตถุกโตก็ปลูกผู้คุยชองก็ปลูกยังไม่ถึงล้านต้นนะถ้าต้นละต้นละบาทก็ต้องเป็นล้านล้านต้น <c oughs> ได้ประมาณกี่ต้นปี่นี่ปี่นี่พระนระกวกาก็เปูกกันเต็มเลยหมดเลยทีนี่พระท่านก็ขอใช่นี่นะขอบคุณขอบคุณพวกเราทัางหลายเอ้อยังไงพูดเรื่องนี้มายาวนานขอขอเพื่อนหน่เพื่อนจมวนแบบ น, น้าชาวเข้า ที่เลนดาวน้ำใสมันออกเอาไปทำอะไรฮะนะเอาไปทำอะไรหมูบอกว่านี้ไปตัดหูดอยู่เาไม่ใช่น้าคุณนา้นาน้าคุณนั้นเอาไปทาหัวนะอันนะ้ำใสที่เลนออกเอาไป ท, ทำอะไรเคยใช่ไหมนะอ ย, ยอมไหมถ้ายอมแล้วห้องจะ เอาไปใส่น้ํำข้นผักให้เป็นผักส้มดีกว่าเราไปกินนมเปรี้ยวถ้าน้ำข้นผักจาวเกลือไว้ถ่อนหมักไว้คืนหนึ่งเอาน้ําชาเข้าที่น้ําใส่ไปปนลงไปจะคืนหนึ่งเอามากินชดเลยดีกว่านมเปรี้ยวเดี๋ยวนี้น้ำจ้มแบบนี้น้ําจ้มผักไปให้มีแล้วมีอะไรมีน้ํนำจ้มสายจู เขาไม่ต้องขั้นเขาไม่ต้องแบบเอา ต, อต้องใช้ส้วมปนก็เห็นเลยอย่าไปชดอันนั่นอย่าไป <c oughs> ต้องเอาานเจ้าเข้าใส่ไปปนผักกาดผักขอมอะไรแฉ่แฉตามชมสดลงไป <c oughs> ขอจบทันทีอาจารย์กินัน